62. นิสัยแก้ไขได้ง่ายกว่าวิสัยจึงต้องรีบแก้คนที่เห็นแก่ตัวนั้นมาจากนิสัยวิสัยอนุสัยดังนั้นต้องแก้ภัยร้ายที่มันพาคนชั่วพาสังคมทุกข์ยากทรมานการตรงนี้เถิดอัตมาอธิบายเรื่องความเป็นอนุสัย อาศัยนิสัยวิสัยอนุสัยมาบ้างแล้วซึ่งเป็นพลังงานของจิตใจคนที่เจ้าตัวคนทุกคนต้องเรียนรู้และต้องแก้ไขให้แก่ตนเองมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตคนจริงๆไม่ว่ายุคไหนกาละใดยิ่งใหญ่สำคัญสุดเพราะ เป็นต้นตอในการแก้ไขตนแก้ไขสังคมแก้ไขการเมืองแก้ไขเศรษฐกิจให้ดีวิเศษอย่างไม่น่าเชื่อด้วยพลังโลกุตระนี้แหละซึ่งเข้าใจกันไม่ได้ง่ายๆมันก็ต้องแก้ไขอนุสัยอาศัยนิสัยวิสัยอนุสัยนี้สำคัญสุดไม่ใช่อื่น แม้แก้กฎหมายกันให้ดีวิเศษเท่าใดเท่าใดก็ยังไม่ถูกเป้าของการแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนหรอกแก้กฎหมายก็ต้องแก้ก็ต้องทำอยู่ก็แก้กันไปแต่มันก็สู้นิสัยของคนอันมีวิสัยมีอนุสัยที่ยิ่งลึกไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกว่าสังคมนั้น มีเจ้าวิสัยอนุสัยนี้แหละตัวร้ายที่ร้ายสุดหรือตัวดีที่ดีสุดเพราะมันเก่งเหนือชั้นกว่ากฎหมายได้จริงๆต่อให้กฎหมายดีเยี่ยมเก่งปานใดขนาดไหนก็เถอะคนนิสัยเลววิสัยชั่วอนุสัยซามนั้นมันทําได้ทุกอย่างที่เลวต่อกฎหมาย ด้วยความชั่วความซามก็เห็นเห็นกันมาตลอดในประวัติศาสตร์แก้อะไรอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตของสังคมที่สำคัญก็ต้องทำแต่นิสยัยวิสยัยอนุสัยนี้ทิ้งไม่ได้เลยปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยที่จำเป็นยิ่งกว่าอะไรหมดจะต้องแก้ จนกว่าเราจะเป็นอรหันต์ขอยืนยันนิสัยแก้ง่ายกว่าวิสัยโดยเฉพาะวิสัยของสังคมจึงต้องรีบแก้นิสัยของตนนี้แหละสำคัญสุดก่อนจะแก้อะไรอื่น